หากเป็นในทางร้ายก็คือคล้อยตามกระแสพยาบาทสองกระแสนี้เป็นคู่ปรับกันหากคล้อยตามกระแสใดามากจิตของเราก็จะเข้าฝ่ายนั้นช่วงหลายวันนี้ฉันพิจารณาตัวเองถ้าเหตุการณ์ปกติไม่มีเรื่องกระทบใจจิตก็เหมือนไฟใจในความสงบเย็นดีพูดจากับใคร ก็ด้วยกังวานเมตตาที่ตั้งต้นออกมาจากแก่นแท้ของจิตใจแต่อย่าได้มีใครมาจี้ให้เต้นก็เล้ากันฉันยังทำหน้าตึงถลึงตาหรือกระทั่งเผลอตะวาดเสียงเขียวได้อยู่โดยเฉพาะกับคนไม่รู้จักตามถนนรนแคมหรือร้านรวงในตลาดบางทีโดนพูดแย่ๆมายัางชินนิสัยวางก้ามขู่แบบเก่าๆด้วยซ้ำ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 หากพิจารณาให้ง่ายเข้าก็อาจกล่าวว่าจิตขณะตั้งต้นนั้นถ้าเป็นอภัยถ้ามีความสละการเพ่งโทษถ้าทำให้เลื่อมใสในการไม่ผูกโกรธจองเวรแล้วย่อมบังเกิดความสมนัต ด, ดุดคนเพึ่งฝื้นไข้อาศัยสมนัตระดับนั้นเองเผื่อแผ่ออกไปอย่างไม่จำกัดด้วยจิตอันเปิดเผยเต็มที่ข้ามคืนในช่วงระหว่างนี้ ฉันอุทิศเวลาทดลองแผ่เมตตาตามความเข้าใจของตัวเองขึ้นต้นมาคือนึกถึงศัตรูลับปรองใจให้อภัยแบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อแลกกับความโล่งหัว อ, อกและโสมนัสเหมือนคนป่วยเพิ่งฟื้นไข้แล้วก็พบกับตนเองว่าโสมนัสในวินาทีที่ปรองใจได้นั้นมีความแรงพอจริงๆคือปรุงจิตให้เป็นลักษณะเปิดเผย ไม่หมกมุ่นครุนคิดคับแค่คล้ายสมาธิอ่อนๆแต่ปลอดโปร่งกว่ากันเพราะสร้างกระแสเมตตากว้างขวางออกมาจากหัวใจจากนั้นเพียงหลับตาและคลายมองผ่านเปลือกตาออกไปดูเว้งฟ้าด้วยความผ่อนคลายประคองโสมนัสอันเกิดจากอภัยทานก็กลายเป็นกระแสทางใจของจริง ที่ปรารถนาความไม่เบียดเบียนปรารถนาความไม่มีเวรปรารถนาความสุขสมณัตในใจเราจงแผ่เข้าไปถึงหัวใจสรร พ, พชีพทั่วสากลจั ก, กรวาลธรรมชาติของสมณัตยอมเลี้ยงจิตให้พึงใจอยู่ในสภาพความเป็นเช่นนั้นได้นานฉันไม่พยายามกำหนดให้เกิดอะไรขึ้นมากไปกว่า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 ฉันลองแผ่เมตตาทั้งก่อนและหลังทำสมาธิรู้ลมหายใจพบว่าแผ่เมตตาภายหลังทำสมาธิจะดีกว่าเพราะจิตมีกำลังมีความตั้งมั่นบ้างต่างจากก่อนทำสมาธิที่อาจกำลังเมื่อนิดฟุ้งหน่อยยังอยู่ในสภาพไม่ค่อยเต็มใจแผ่เมตตาให้ใครได้ฝึกอยู่เกือบอาทิตย์ทุกครั้งหลังนั่งสมาธิ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 สำเน็กรู้สึกถึงรัศมีเมตตาที่ฉายกว้างไกลกว่าทุกครั้งกับทั้งไม่ต้องเพียนกำหนดประคองก็แนวนิ่งไม่ลดไม่เพิ่มอยู่ภาคใหญ่กว่าที่จะอ่อนกำลังลงจึงเห็นถนัดว่าถ้าจิตรวมลงเป็นดวงขณะแผ่เมตตากระแสเมตตามีอ่อนกำลังได้และกำหนดเร่งให้แรงขึ้นก็ได้ แต่ด้วยความไม่ชำนาญประกอบกับที่กำลังยังไม่เหลือเฟือเยี่ยงผู้มีชั่วโมงบินสูงจิตจึงลดระดับความนิ่งตั้งมั่นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีทั้งที่ยังเสพทิพยสุขไม่อิ่มหนำอยู่นั่นเองระดับนั้นฉันแผ่เมตตาได้วิดวิดหรือน้องน้องเมตตาปมัญญากระมังชื่ออันไพเราะเพราะพระิร้งนั้น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 ข้อปฏิบัติแต่ละอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะให้ทำหรือขยันขยอให้ทำนั้นไม่ใช่ส่งผลแคบแค บ, แ ค, บแค่จุดหนึ่งจุดเดียวเช่นการแผ่เมตตานี้หาได้มีเพียงเมตตาจิตไว้เอาชนะคาคารพยาบาทจิตเป็นเป้าใหญ่เท่านั้นแต่ยังยกระดับน้ำใจคิดเผื่อแผ่โดยตรงเพราะเสพจิตที่มีลักษณะเผื่อแผ่ยิ่งใหญ่ไพศาลมาแล้ว เมื่อจะทำทานเป็นทรัพย์ทำทานเป็นอภัยก็ย่อมเห็นว่าน้ำจิตระดับนั้นถ้ายังมีเสดายยังมีห่วงยังมีวัตถุประสงค์แอบแฝงก็จะไม่เกิดความชุ่มชื่นเต็มอิ่มได้เลยน้ำใจที่คิดเจือจานอย่างบริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นก็คือชนวนแห่งมหาสมัะดุดเดียวกับขณะเริ่มแผ่เมตตาอย่างถูกต้องนั่นเอง